ให้ตกตามเพราะไม่ได้อะไรคับทรัพย์เจ้าของทรัพย์ที่เป็นส่วนตัวของเจ้าของถ้าเจ้าของตายแล้วก็ต้องเป็นของส่งส่วนตัวของเจ้าของที่มันเกิดมาในเวลาที่ระบวดเวลาระบวดมาคนบุเทอีนี่นี่นั่งกักอง ก็ อ, องข้นของเทวขนภาต้าาาาม่หรอไม่หรอไม่ไม่มีรอกมันภาคใต้ฟังภาษาภาคอีสานํานานแล้วเรียงนะข้าออกบ้างนะรือ อ, อกจริงริงนะวาเนี่กาอืม ของสงของเจดีย์ของบุคคลเอาของเจดีย์หนึ่งไปให้ของเจดีย์หนึ่งเป็นอาบัตทุกข์ุศลเช่นของเจดีย์ในคากพนมไตไปบูชาเจดีย์อื่นอีกก็เป็นอาบัตทุกข์ลถ้ารักเอาเป็นเจ้าของ ส่วนตัวก็ปรับอาบาัตาาตามราคาของขอกัม okay. ันจเป็นปะเ ท, เทนเน้อยกวงไมันไม่มีจำเป็นมันก็เอาไปยาไ mm hmm. เยอเลยนะฮะทื่จะแต่หามางามอยู่ก็แต่สื่อไม่พกระเทื่อท้ mm hmm. องทว่าท้าไมีเอาไปฆ่าจปแต่ท้องาวัดกบายกัน แต่ว่าของเจดีย์เขาเอาไปทั้งวัดบุคคลเขานนี่ยเเอาไปถวายพระพุทธรูปบันอื่นเป็นอัตทุกอันถ้าเอาไปทั้งวัดบุคคลนี่ก็สิวาจะได้แล้วมันกับบมี่นะกับพเจ้าทั้งวัดครูบาอาจารย์นี่ก็สิวาจะได้แล้ววันนี้นั้นของที่ออกมาสาธารณะอันกันยอดนึ่งเขาออกมาเจดีย์เขานอนมาบูชาพระพุทธรูปของเจดี มันสำคัญอยู่อันนี้ท่องพี่พิาญาง่าย้วยเพราะในนักท่อมสีนักท่อมโทษท่มเอกบ่ญนี่น้ทิ่งได้ที่เคยออกปัญหาในท่อมสีท่อมโทษท่อมเอกเขาตอบถูกทึงใด้รเคยได้ออกปัญหาน้ำอันนั้น่างก็ตอบมาถูกท่องกับผมทองสูงจากที่ที้แต่บรรทไปที่เพื่อนเขาเที่จังหวัดที่ไม่ยเขาลอยตอนที่เราเดินไปคืเป็นแบ บ่ขโเปลี่ยนดับนรับเ้าต้องมีสิทธิ์แน่นกจากต้องมีสิทธิอ์อันสะ บ, บูดํบก้อนสิบโมีสิทธิ์เป็นสตัวได้บ่ให้วางสัน่นนี่วัหนึง่งแม่มาสน่นี่มันกระเพิกมหาหันจังเข้าอของหาพวกนี้จังมือนี้แล้นสำรับเข้าสิบโมีสิทธิ์บ่เข้าก็มีสิทธิ์ก็เ้าออกของหสำรับเาอันมัดวัดใเ้าสิบโมมีสิทธิ์บ่ซ้ำนี่ให้วางสัน่นนี่งพี่อย่างน้ารองอย่างอเอเด้อ นั่งเพ่งฟังนหนีวิเศษกฎหมายสูงนียังคือเกาอยู่เบื่อเปลี่ยนออกเป็นเงินจะฝากไว้นะว่าย่าจะก่อนเงินชวนตัวของหลวงปู่หลวงปู่นูนะ่ะเป็นเงิน 2,400 บาท <c oughs> เป็นเงินเหรียญที่นี่เป็นเงินชวนตัวเพิ่งไหน มันเป็นเงนสงเงินชนตัวคนพ่อพัดตายฮะไรยะวัาจักรนึงมาหายสาาลับบานมาเอามาสงฆเอาไปกินวัดไรยะวัดจักรแล้วเถอฟ้องกันกฎหมายสมัยยังคือเกาอยู่ไม่ได้รับแปลงมันคือเกาเยไม่ได้แปลงไปษากฎหมายสมัย กดไม้แพงส่วกสงกระถามขึ้นมาสงขึ้นถามขึ้นมาว่าบ่ได้เอาเระทราชนมัดบ้านก็ว่าบร่ได้เอาทำไม่ได้เอาเม่ดเอากับมีผู้มีผูนึงเป็นพระหัตถ์เขาไปวัดข่าพระเจ้าเป็นร้านเขยเพื่อน เมื่อญาติวจกรเอาเงินพันไปฝากไว้สองพันบาทเงินเหลียมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอาไปไว้ไหนเขาสั่นถ้าไปฝากก็บอกเห็นยังบอกเห็นมากเอางแม่ข้าวที่เพิ่นมาหั่นใจข้าพเจ้าได้ขาไปในวัดฟังงูเขาสั่งทดลองข้าพเจ้าฟังเพราะข้าพเจ้าเปน้านเก๋ยเาั่เป็นลนเครื่อยากเพื่อนเขาั่ ฟองทั้งสานอำเภอรัสารอำเภอทรงฟองได้ทรงช้ำเนวทั้งสานสูงน้อนี่พัิเสียแต่ว่เห็นแล้วแล้วเราออกไปฝากข้างแลบเงินถ้าข้างเขาก็ปิดบนี้ ว่ได้ไปสืบข้างๆว่านเราะ่ไหนไปสืบข้างๆยากคณะว่ายังสูราอะไรยังยังสิอไปสืบข้างๆอีกมียังสูราอะไรยังว่านไปสืบสืบข้างๆแล้ตัดสินก่อนตัวเส้สามสูงก็ไปซื้อหนูบวชนางก็ไปซื้อหนูเงินระหว่างสองพันสองพันบาทเนี่ยเขาตัดพระซื้อหนูบวชนา พระพาพิสูน์ก็เป็นอุปชาไม่ผู้นบถือด้วยวดอันยุ่งยี่ที่สองอันยุ่งแปดทิพย์ตายใจักภาษาสั่งจักภาษาสั่งเป็นลูกชาด้วยอ้ยี่สองมเราแปดทิพยนั่นหราคาที่แปดภาษา พระพสุหนุก็ต้องพอจะมีเงินสองพันบาทเนี่ยเมื่อเหตุดังนี้เมื่อเหตุอย่างนี้า น, นายเพียงฟังดีวิเศษจะพิเสษสักเพียงใดก็ตามเพื่อนาเพียงฟังดีวิเศษเป็นอยอ่อุปถ า, กาคกลิปผู้ที่เขาบอกเล่าว่าเขาได้เคยได้ยินพระพิสุหนุเล่าให้เขาฟังอยู่ว่าเขาเอาเงินกูไปถ้าได้บาทเขาีบาทเขาไม่บอกกูเมื่อเป็นดังนี้ ก็มีเหตุผลพอว่าพระพุสูหุ่ก็ต้องมีมูลค่าพันสองพันบาทสมจริงเมื่อเป็นดังนี้ก็ขอให้งานเพลงท่านดีเวิเศษดพ่อเป็นจำเลยเอาเงินมาให้สงสะกว่าเจ้าของตายแล้วกลายเป็นของสงถ้าไม่เอามาให้ เงนชิห้าวันนี่ยจะถูกเล็บสักเวแล้วเอาเกาเงินช่งนั้นมาสู่ขัวมาหนมันก็หมดอดหลอดั้งแยหลอดกรหน้าท้องยุติินบ้านนะเห็นบ่าท้องสนนตัวยุบานกู้าแมเงินับอกม่หุ่ักเาเออหม่นังห่นักหุ่ักก็น้องแปะท้องหน้าตัวนะแปะหน้าตัวนะแล้วเลยเอาเป็นท่อนนี้สองนั่น เฮื่อนซองรังก็เลยเอาไปในห้อ ง, องสงจะไม่นั้นเงื่อนซองรัง่นแบบไงาเลยเง่อนกตีราคารังสองรอบาทหนึง่งสะไม่เงื่อนสมมตนั่นกระไรแสนบาทเนี่ยท่อสถิตซื้อเอาเงื่อนรังหนึ่งโมจ้กบอกท่าสถิตนโน ร, ราณน่ะตัวก็ท่นเห็นหรือเปล่เห็นไหมเห็นไหบ่ถือกันเ่ยก็พอตัวพะหน้าโยคนหนทางหอมวันน่ะ คนทางยกไก่ก็เธอคนก็พอตัวกับปูพิมพ์ม้าเนี่ยเขปั่นง่าม้านี่ยเขปั่นง่ายได้ม้าเนี่ยกขาน้าเนี่ยเเป็นชายหน้ายืนนะู้นี่ม่นเป็นกู้ตรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นหน้ายิบตีหารสุดเก่าอีกด้วยู้นี้บัดซือกันยกเกล็ดต้องลองเป็นพระสงฆ์ชสมุนเนี่ย่ากู้ฟ้าเก็บเก็บค่าภาษีกัเสมุเนี่ยแง่แง่เสีดหน้ามากสมุนกันหน้าเขานี่ย ผู้ดดใดผู้ใดหาไรเอาของพูหนัห้นมาผู้นั้นเห็ดเดี๋ยวนี้มันสามแสนมันก็บ่ได้แล้วขายหลานนึ่งคน ล, ละราคาลนาราคาหน้คนหลานนึ่งก็ยังไม่ได้สมมักคนว่ได้องหลานใครจะไปขายหน้าตรงชงสีบานับกดของชองไปได้ยังสมมต้าตายคำเคลืนนี่ดนียอันนี้มันก็ไม่ของสองมัด อจไมันจะเอาไสก็เพราะอย่างนนข้าวเขียนหนังสือบอกไว้แล้วอย่างคนเพลงตรวจเทาการที่เอามาเก็บไว้ที่นี่ก็เพราะหนูมันไม่เข้านี่าไม่ใช่ถือว่าเป็นของส่วนตัวข้าเขียนอย่างว่าด่านี้เท่านี้เพิ่นเอาหาเข้าตายทำขึ้นเขามากวดเชนเ็ามาดูถูกเข้าเขาชนะว่าเท่านี่มาสะสมชิงของใหวยนำมาเนี้เพิ่นว่าเพิ่นทีได้เลยหันย่างเขาดูถูกเข้าเขาเขียนใหม่ว่าะ มันก็เป็นของสงมัตอดหลอดน่ะครับจะทิกงนามชี้นี้จะได้่วยอะไรางเป็นของสงมัตน่าจาพวกพวกนี้สักท่าจะเอาว่าสะให้คนเบิ้งในอนาคตก็เป็นปูชนีศาสนาเพื่ออานจะเป็นความท่าสังเวชมันกับเรื่องของผู้ยึดทางหลังวันเนอะผูู้้ผู้ยึดางหลังเอาไว้เดียไม่แจกมูอมันกับเป็นเรื่องของมูุ่ผู้ผูู้้ผู้ยึทางหลังวันอมันไม่น่าที่จะเขาวันหรอะ แม่นบ่เีอเยเนี้ยยังไม่พระุทธรูปยยสามองค์หนึ่งสามปัญหาอร ย, ย่างเี้ยพระุทธรูปเขาเอามาหายห้องหรือเขาเออเขาเอามาหายถือไหวก็บอกจักมิดอ่ อ, อนสั้นบ่เห็นหอดเจ้าของได้หลายปียจกปักเส้ปีอะพระพุทธรูปจุ่มนี่ พระพุทธรูปน้อยพระเจ้าวรว่ศ์รักดข้เขียนไว้ในพะุทธรูปพราะพระพุทธรูปอันนี้จะเป็นเขาเอามาฝากไว้จะเป็นเขาให้เราก็ลืมไปสัลืมเจ้าของเอกนะเมื่อข้าพเจ้าตายก็ขอตงให้เป็นของสงฆ์ัระวสิอย่าให้บวกคนผู้ใดผู้หนึ่งมาจกกันในวัดเนี่ยเมื่อไรข้าพเจ้าขอพระที่วัดคือกันเพระ เจ้าบัดคือก okay, ันเพราะว่าแล้วไปหักแต่ผู้เดียวเทวสันยังเป็นปัญหาอยู่เอันนี้ก็ได้พระเจ้าขุยากคือกันเพราะว่าอันอันทั้หาร้านทังนอ่อยมุ่งห้าวใหาย่านเข้าไปซื้อกล้ขายขายสินมันถูกขาดแล้ววันย่านเข้าไปซื้อใกล้ายสินบกุญช่ห้องกับว่าห้บกง่อยห้ากับว่าหายบกอุ้ยห้ากับว่าห้บกได้ห้ากับ่ห้มุ่เนีากับว่าหาย่อย่านเข้าไปซื้อกล้ขายสินยาบับ นน ก, ก็ได้อันนี้ส่วนพระก็ย่าเป็นส่วนพระกับอันี้ยังเสียมหายอยู่เอาขึ้นวางี่พ่องฟาดีๆซะถึงถงัดขึ้นกพกราะพะุทธูกสูงสูงงัดขึ้นโกดเพระพูกทั้งมันดีอท่องพระ ก, กงพกราะพระพุทธลูกสูงสูงเอาไว้เป็นคลองสง ท, สทรายไหมนักทะวักันเาวาสิ ไปวาาา่แล้วมาเาเขาจะเริ่มในสิบกว่าปีแล้วไม่จะของตายเลยก็ไ่ชัดมันเป็นล้ผู้อตาได้หรือแต่ของตาเลยเขามาถามาพูดพระลูกราคนเอาพื้นเอาไปกินจอยอ น, นี่ยายเพ็นงี้กันนะ้พระลกผู้คารามากใครผู้พรลกข้านั่นข่านี้ไปใช้ผู้พระลกนังขาเลยอันนี้ยังงดูองค์งนึงนี่คคน้าข้าแ่ากนพ่ตัว น, นี้นิดนี่องค์ใหญ่เหนว่าเพียงลองนี่มาเห็นอยู่นี่ มันมนอ ง, งค่ยพตัวนี้มาฝากว้นี่น้องเขาอันหนึ่งจนทังปรงเทียอไร้ข่าวเอาขึ้นไปแล้วหาห้อตายเขาขึน ม, นมนนันี่สร้างปัญหาวันนว่าสันนี่การเลี้ยงกันเลี้ยงมามาเลียนขอปตูขึ้นอย่างไรไมวาที่ดีจะโตพรไทได้ไว้สันนว่ากรเลี้ยงมาขออยู่นี่คันคันหตัวนี่ว่ากรแตกวัดอะไรนี่ไว้สันนะเลียงเอาอยู่เลียนเอาอยู่เลียนขอเขาเขาหอยู่ขอจัไรอยู่วันนะ ให้ตัวนั้นมกรแตกวัดมัเดี๋ยววะขันไฮบักคันไฮบักน้อยบักบุญท่าก็ตีกันแคบักน้อยองละบ้านเนี่ยขันไร้านร้านตะล้านก็ตีกันนี่ละบ้านเนี่ยไม่อีกงละเที่ยงข้าวมไกใจพวกขาววานเทาอย่างนบเปค้ายอาพระองค์จอบไปค้ายช่อเบี่แค่นันเรื่องมันก็ไม่ค่อนทางนึงเสียดีเดียดใจ ให้เขาไปเทบพุทธรลุโองไงวะสักให้มันให้มันขุ่กับราคาตรงนี่เอาส้มแางใหเขาสักหาเขาเอาไปขายขินกัอีกขงเก่าหันเอ๋อ่ก็ได้โอ้ยมันเป็นเน่าขายเทศพุทธรลุบให้เาสงสารสิเลยยักษ์มันยังได้ร้านหนึ่งเห้ก็บพวกเขาพุทธรุเล็กๆหน่อยเนี่ยเอาไปขายโอ้ยพอัวเอือขายิงนอเนบ่ย ไ่เหลืารท่เอาีวัดนะครับว่าูตอะมัน้นงาขายสื่อเาสื่อเนีอื่นเนี่ยพราพออหัวปากกาเหรอผกขายเขาว่าูสันอ่ะผักขายเขาว่าูสัตเนี่ยืมูสัตตายยังได้ขายอ่ะแต่ละเข้าไปทวัดู่าก้ล่เินว่าแะต้องมันขายอย่าทก็ดขายเนี่ยขายื่อกั่นสารับพผู้อื่นมันเถอะสารัาพเามันเห็นว่าไรอันเรื่องผู้อื่นมันเถอะเรื่องนึงวันสารภาพมันเห็นไ่าไรรผู้มันเห็ไปรถผู้หมาเเห็นไ จำตั้งผู้อื่นเขาก็ม่อยู่เยว์านแล้กวก็นกนาแท็บเขาป่าพราะไงคนพออขานต่ตัวเมันีนี่เราคือรูปอีสตปรียตะ่วนปรมากับัตยังเปรเรีอยงไม่รูอะต่างเขาม่จ้าเขาเดกเป็นผีจ้ามันเป็นการมีเป็นขายมันเป็นตัวเป็นจีนี่นยู่เป็นพยา ย, ยามพยายามดึดุองได้เป็นดุลของปรเยตต่าง เ้าจสออกไปเรื่องอื่นไหมว่าเสาส่วนตัวเขานี yes, ่ม่้ยไปเรื่องอื่นมันกิดว่าอไรเข้าจะตั้งกฎไว้มันกิดว่าถือเขาเสือาส่วนตัวเข้านม่เนืจะไปว่ามดบ้านมดเมืองว่าเขาจะไปตั้งกฎันสักมันได้บ่เข้าบอกส่วนตัวเขานี่จัองหาคนอคือจังสื่แล้วขนาดสองสัปดที่ระวัดเอื่นพ้นกับพระพุทธรุบมาไว้วัดเข้าบอกออกมาไว้เขาอว่าจะส่วนตัวเขานี่มยถือว่าลัวลไปคนอื่นมั้เข้าใจบ่ของส่วนตัวของไระอันพราสัตว์พนกัไปพา ข้องมื่อนี้ได้สั่นพรวดไปพานในโรงพย า, าบาลว่าเห็นคนเป็นยังเั่นข้าสัมตาวะไปสั่นมันก็สวดตัวของใครมันเขาลองสั่นว่าเข้าใจบ่าเนี่ยมันรสวดตัวของไป้ของมันแล้ไมันไปาไปตัดในโรงพยาบาลใดทั้งสิน้นวันเมื่อพ้นไปพาเยอะในตัวเป็นยังจะมาไปไหมกระสวดตัวของชวดตัว ว, ว่าจะไปตั้งโคตรเลยเป็นบรรยัติพอื่นเมื่อวัตถุแล้วแม่นบ่เี <laughs> อกว่านี้รอกเนี่ย รลพันธุ์เฮ็ดปานแรก็สร้างเนะ่ยเข้าว่าเฮ็ดแ่่ว่ า, างไรเงีนะ้ยเ้าซึ่ว่าจะไปฟาบัสที่นในโรงพยาบาลเนี่ยต้องเห็นร้ายใช่อ<ม>แต่คนทํ้งเี้ ด, ดีก็เอาสบปจุบันวันนี้จัดว่างก็เอาสบปัจจุบันวันนี้ร้ายสบจวัสดีหลวงปู่มันบอพระองค์เจ้าบอหลวงพุทธก็ไปช่วยอย่างนี้ออ้ นาทุ oh. ่นนตาปเป็นาี <yes ่บาร่อของการเบารเก่ารเกี่ยวกัารเกี่ยวบก่ยวารกี่ยับรเกี่ยวกัการเกี่ยวกับารเกี่ยกาเี่ยวกัายวกเกี่ารี่ัาเยัาเี่ยวกับเกียการ่ัา่ยวกับเยวาเัรกกับเก่ยวกับวเกี่ยาเรเ่ยวัเ่วเกียา่ากวัรเัเ่วาเเาว ที่เยี่ยชวนี้ผมเป็นิ่วผมเปิดการทุกวนแต่มันเป็นวันทอ่ผมต้างววาลูกผู้ใหม่ไม่ผูกปั่นไปตกมาลุมากังบ้าไปเยีนยเยียมสาโบ่ายตกมลุกมาตมีเยอะมากผมก็เลยนึกเลยมันเกิดจากใสอันนี้ถ้าหูจากยู มันเกิดจากสาไฟแผ่นพูฟ้าว่าอันนี้หอง่นยื่น่ไประบอกครับเมื่อเกิดจากสห้องยางยื่อันนี้เขาาบอกฝักก็ไเปิดแกแจานกมักย่ลก็ได้ทีนี้อยดีกันว่าผก็เลยไปลงกบมา่ยบ่า น, น, นี่มันเป็นย่งเฮดยังเป็นยังเฮดเลงกสิเลยว่าอธิบายเบาห้องมันยิ่นมาก้อนโตนั่น น, นองหงโอ้ยเจ้าบางคนบางคนยังไเขาวาตัวดีน สันหลวงปู่ฝันข้าวแล้ย่อกระถางาได้แทบแทบมันเสียวจะโขงวงจากแม่นะอยากเดินลายบดเดินอยากดังลายบดดังแม่นงชวนหลวปู่คับคนนักคือถั่วไตโลกรถางไปวางใส่มันคือบวกอันพูดที่พูดที่วอกที่เดนะเอวอกที่เด็กเขาหงุดหงดเลย ต้องการคนธรรมดาชาวบ้านไทยก็จะเจ้าเลยไม่น่าชอบ ล่องมาไหนม่องมาพวเราดูมข้าพเจ้าจองยึดไต่กันแค่นวนึงวงพู่ฝันหลวงพ่อนจงหกข้าพเจ้าประจงายึดไต่กันไนข้าพเจ้าพวกท้่เคยเดียร์หลวงเขาไมไหวหลงพ่ห่าอย่านกะสับกระ บปง่งพกเขากันเนียุ้หาบัวก็เรื่งนี้งงวันมันพูดที่วาะัรกันใชอาจารย์สวดเจ้าของสัาไม้เอาหวังเอาขัเนียนี่ยังจะเปิดวอกว่าวสัแมแง่ร้อยใช่ไหมเเสียกับเสียแง่ เพื่อนพมันมาที่ผมเจ็เลรอมารอทำทัพของวัาเจตีตรดจวางกันเนี่ยเขาจะตีหอดฝากก่อนิขาจอกว่าลอยลอยฟันบ่วงเนื้น อ, อ, มอมวลตักมาจับผสงไว้ไว้เป็พรอมจะผลเนะ่ยก็มีแต่พืนตัวเดียวแล้วไม่เคยมีพรหมเยอคนเนี้ยมัดไตลงกระถางเลยมองนัะ <c oughs> เ้ยวเหรอเขาียเงียเนาะอือเงี้ยวเหรเนตัอไรมาแจ้งเรื่องราวต้องเป็นเ่องของะไรใช่การที่ที่มอ่างต่างทกี่ยเรืนองของความเนเจอ คือแค่ไหนบอแค่นั้นเหรอคเขาไปจากคนแบบคุณเราเน่ยคหณทุกคนที่คุณโง่ตอั้นคุมกั่าวคูนี่ยคุณคงจะได้มาเนอะไรได้แล้วคุณก็ได้มาตอนนี้คุณก็ได้มาที่นี่ตอนีพ่อเขห็นหอท่วเหมือนกันบอคุคนณฉลาดใช่ไหมะครับแล้วมันทับเจ้าของเปนอางง่วงจั มัจะรัดเอาปานนั้นที่มาว่ า, วาอันนั้นสีมันเนี่ป็นยอเงี้ยนเอาเรื่องฮั่นเดี๋ยอกเรื่องเรื่องพวกอวงคาวฟัเรื่องนี้อว่าเทียบเรื่องพพุทธเจ้าพวกพุทธเจ้าไม่หนอกไม่เอง นั่งมัณิกาเนี่ยนั่งมัณิกาเนี่ยเป็นเป็นุทส่วนข้อหนาเนอะนั่นมนมาสวอดอัปปันนอนั่งมัณิกาเมื่อพระเจ้าพระเตนจะไปอาบนา้ำอาบน้เนียห่ออาบน้ั้งลมมดาสางสางส้งภาษาส่งส้วงก็จะไปมุ่งนะเนีออนเ่ยห่ออาบน้ำไมุง มาดำตัวหนึ่งยุบวัดอาบน้ำนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปอาบน้ำนั่งมัน่นดนกาเข้าไปอาบน้กองโคดอาบน้ำวิทนี่สิวนี่สิมามตันึงคลาดเขามีก็ตอกเนี่มาดำตัวะมาดำเข้าไปในห้องอาน้ ำ, นำต่อฝนเพิ่นเพิงนจะได้รับสัมผัสเ็ย มา้าเคยออกมากัวอุผาสามชงสรงเลยอีพว่าอีพีว่าอีพีว่าอีจันไรอีกกังไร ม, มันแหกหมาไปทามันนะให้ม้ามันทำมันในเวลานนสอง น, น้ำนะจ๊ะตุ๊กไก่หน้มาเดน้มันก็แม่ในวันนี้มันไล่กาเด้ พยัาเลยป่าจา้เาเยขว่าสันไ้พยัาอไปยุหันบังโดเขาเนาะว่าย อ, อยู่หนีบ้องโดวขันพ ย, พยัพยาเอาไปยุหันพญญาเรียนแม่แพะพยัญาเรียนแม่แพะพน้านี่แหละวุ่นวั่นนีมันเป็นหนี้แล้วเขันตามันได้หมดนะาไม่เรีนเพระได้เห็นได้เห็นดูเขาสัน แก็พันไม่ฮนี่มันแผอยูแนวัดเนโอ้ยยนวบาดด้วเป็นบาเนอ่ะมันยาไ่แผลมยาไปเรืแนี่หะมันเป็นเรือเสื่ฉันได้มาว่ามาว่าคอบัวสถานเทวันนี้มันเสพรพุธเทวาบังกระจักอยู่มารอว่าอหาหอยรตับรีบกอนนี่ก็ท้อว่าเนูกยุคกัชิดก็พุทธเจ้าพุทธเจ้าคงจักกู่แล้วบาดนี่ก็จะทำ กบุตรเจ้าของเจ้าปู่แล้ว บ, บาพนพราะญาติเสียนเนี่ยน้ำอยู่มาอยู่มากน้ำมัลิกการเล้ยป่วยได้ตายฮะ เ, เนี่ยตแล้วพราะญาเสีผู้ป่อนอยากถามอยากถามว่ามีา่ตัวนันตายแล้วก็โยเสยัย่นน้ำมลิกกากับพญาระเสี น, น, นั่นทำบุญตั้งแต่พอฮันตายมัดเจ้าเก่าโกดมือหนึ่งมัดเจ้าเก่าโกรดเรียกว่าอาทิตย์า้าวา เราติดก่อบุรบุตริดก่อบ้านยาเต็งเราติดก่อกูมจักขอด้ยาพาระเซนเขามาทำหนถ้าเ้องจะไปพูดตามกรุอก็ใช้ชนขอสีออนสัตยานการหายธาตหน้าห น, น้ามันดกาหนึรงขับราเงินกับยาพาราเซนทัาบุญ ม, มัดเก็บเก้าโกดิ์แล้วยังได้ไปเปล่ยนมาให้คนก็ได้นี่ ถา้ออเ า, าวเสีบันดาลให้ผู้ถามเริ่มันโอ้นี่ก็ตายง่วงเลยก็ได้พระพุท่เจ้าได้บันดาลบันดาลพระพญาพัฒน์เขาเขียนปวัดสเสมอตั้งใจไว้แล้วว่าจะประถาม ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปทางหันไปทางหันสอสงไปสงอาหารนนสองเมื่อนี้กู้ที่ทมานามันเรยกว่าไม่ฮูก็ยตายแล้วไปใช้แล้พ่อป ร, รหอดพุ่นพระเจ้าวรนญาให้เริ่มพ่อปรหอดพุ่พร ะ, พพระพทเจ้า ว, รราวนันญาณให้เริ่มนีงโดนกรรม า, าให้เริ่มพ่อหน้าันตายไปไปเกิดเป็นหมาไปอยู่ในท้องห ม, ม, มาตายไปไปอยู่นในท้องหมาหมาถือบทีสติอ่อนเหรเดี๋ขนิว่าน่าตายไปเป็นหมาสิ น่สเสียเปรียบอะหน้ามัณฑ์นาทําบุญจนถึงสอนนั้นถึงนั่งตายไปเป็นม้าโย่ห้าวปิว่าายท่านนะว่า่นคนสีระอาเพื่นในเพ่อนในเพื่นประบอกพระองอค์เจ้าเพื่นในบรรดาให้ลืมจะจะม้าตัวนั่นออกมาแล้ ว, ว่าท่านโดนและตายม้าตัวนั้นเพ่นจ้บรรดาให้ ล, ลึกได้ให้นะครเพื่อนหน้ามัณฑันาถ่ำตายจากม้าเร่ยไปสวรรค์ในหน้าหน้ามัณกา ออกจากม้ามาออกจากทองม้ามาเลยตายว่าก่มอนทองม้ามาเล้ตาย เ, ยายเยาย น, นี่ยไปสวรรค์ขั้นเนี่ัอยงนีตายตอนนั้นเป็นม้าเองเพราะว่าไปล่วงผัวนี่แหละล่วงผัวตัวผัวน่ะเราขายมา้าล่วงเราเหมือนเชียเดี๋ยวถ้าข้าลุ้นเรา ก, กรม็มาระวงังดีกันเนี่เีเดี๋ยวสัมาล่วงเราเหมดเราทุกป่านนั้เป็นบาดตายไปเป็นมาน้าอยู่ตายไปเป็นม้าเลย ออกจากทองมาว right. ่าก็เลยมาตายออกตายจากม้าก็ไปสวรรค์แค่นี้พระพุทธเจ้าใช้บันดารายคงจังบัณดารบอกนั่งไปสวรรค์อะไรอย่าเงี้ยวนนั่งไปเป็นม้าเง้ยพระพุทธเจ้าเลียกมองมองอ่ะอันนี้ มอกขำนี้นอกไปเคยอย่างนี้มากพระองค์พระองค์งงนึงถังว่าจะพูดได้มาท่านกัโตัวหรือเป็นพระอาณาฆ่ามรือเป็นพระโสดาบันดพูดได้ว่ามาท่านกัโตั ว, ว่าว่เป็น ใครเห็นภาพแบบนี้เขไม่ยู่ดูไอโ่ผมดูออเริ่้นกัไปชัวเขาพระมามานั่งพอว า, ายอยู่นี่ปรากฏว่าเห็นขยันนายะขยันนายาของท่านมาขานายะของท่านมันมีผ้านู ไม่มีผ้าหม่มไม่มีกีบอรอาไม่มีผ้านุ่งผ้าห่าหมอยเขาเอาเถอะผ่ากีบวันวางถวายเมื่อกี้วนาาันนก็ไม่ได้ผ่ามันเอืเ้อัญยาอะไอย่างนั้นบอกท่นนด่ว่าตาหูวงปู่มันมนะันวันชั่นเลกเลกมันจะคอยมาหาหลวงปู่มาหาวันวันสั่นตื่นมาหาอะไร แต่น่าสั่นนักเลยก็ทามหาดายแต่น่าสั่นก็เกินมีไวามาหาอะไรสั่นน้ำเอียงก็พระธรรมลวงปูงหาของนี้อยาหาสั่นยังไงพรามันตกแล้วลกปูงหาถือถือลงกปูงหาอะไรเลยได้เขียบตัวนี้ตงนั้น่านะมากเลย อันนี้ก็บ่าทอดนี่เนาะเกยหามเนาะแนวเนาะเกยตัวละเคยตัวละผู้วัดพณูมีู่้วัดพณูมีไฟฟ้านพณว่าเห็นน้องโม่ห่อพัพเนื้อจะได้หรอหลวงพูมาหาพณเอาไฟฟ้านพนด้านลูกด้านร้านใบบางไงพณเลยว่เอาเนาะ จะไปนมันก็ยังไปไงอยู่ันเรามันระวางเงาจะได้ไฟฟ้าดีก็ดีเพะดีจะซดกระเพาะใช่ไตายคนี้ถ้่ไฟฟ้ามาเขามันแว่งไงตายูนนึงแล้วมันแย่งปุงกตายคนนึงถั่วไอ้ม่อนตายก่อนไฟฟ้าได้ว่อยม่อนบ้านนี้ก็ตายก่อนไฟฟ้าคนนึงไฟฟ้าอดใจข้าวเมื่อได้เปรียก เมื่อเปี่ยเยข้าว่าไปบีบเล่บีบเล่ถ้าในบีบปนนั๊บก็เสรเงีย บ, ยบออมากๆคับนี่เมื่มอเข้าตกเซฟดีสักันทางเชื้อหอดทงเสื้อพุ่มนั่นเขาเลยพุ่มเอาพาคนตัวไปห้อ ง, องบีบสักวันเสร็จสองพระพุทธเจ้ า, าเลยพราะพุทธ เ, เจ้าประสบการณ์มากแล้วที่นี้มันดีเพราะพุทธเจ้าประสบการณ์มากแล้ว ทีแมันชัวเพราะคนทเกี่ประสบการณ์มาแล้วเจ้าดว่าสอนมูเฮ้าแม่ตัวเฮามูเฮ้าประสบการณ์นี่แมเต็มโลกฐานเลเนี่มีสิ้นก ม, มาจากไส่มีสนม้นก็มาจากมาจากาบายยังกันเสมออันพวกไปโตปรไปกระโดดนาต่างตายไปประเทศญี่ปุ่นมาจากไส่มาจากาบายยังงูกนันอ่ะลองจันเ อ, อ์เอ เช่าไม้เช่าเช้าเลขก็มีเงินผ้าใส่เช้าตั้ปีเขามาหาเห่าทักเก็บว่ได้เอาฉันเข่าไม้เอาันกันโตเช่าเรขตั้งสี่หาปีนี่ขนโตว่ามีเงินอ่ะเขาจะอาปากไว้ทากันเว้นไว้จะเอาตายก่อนว่าตัวเขาไม่อยากตไปขี่สปาเขาได้กัโตมีเงินผ้ใส่ว่เขาจะอาไป่ากันโตเช่าเลกว่าเขาเอาปันกับเช่าแล้วว่าฉันมันก็เลยเช่ามันยังไม่มีพอใส่เนี่เดี๋ยวอะไร้ลงขีอีกรงนึ่งอย่นีนะ เราเขามันเมาแคทำร้ายนีได้แต่ของเราอมร้ายหลานนี้ได้เองแต่ของเสียสบายมดร้ายหลาน้ด้มาอยู่ในวัดคิดเป็นเงินอืมอืมอืมคนใจง่ายขนเดนี้คนใจงเออ คุณยอมทวะเทวไสเธอก็ใจกใจนักเลเลยว่าสันย้อมเสียยอมไดยอมเสียวะันย้อมใดยอมเสียน้อมกุดฝนบุญเขา่น้องยอมไดยอมเสียน้ามเกน้ผาหน่อยิหาวัดวัฏาเมื่อไร่อไร่คนณยอมฝนมาเห็ดมาโดนแล้วคนย้อมเอาลนี่ไเนอยายอดแดงนะได้ แต่ตั้งแตกัพาเดี๋ยเขามาดนนะจะกวนพระเถี่ยวได้นะถ้ามาล้างชิปมาล้างชิปปีอๆอลย น, นั้นหไปไปน้าข้องก็ไปไว้าสลรับเฉดตารางเรียบร้อย้อก็ไม่ได้เอาคุณเลอะแล้ว No. น้อไม่ได้พิดดอกไม่ั่งสิดจะเบอกบาขันท่อนละเป็นกระบคัดของโตเป็นผู้ยายมูตกเบิงมูได้ถิมพ่อถิมแม่บ่ ไ, ได้เนได้พ่อแม่ <c oughs> พ่อแม่เรี่องน่องยยามยู่น่ะโติมพ่อถิมแม่บ่ ไ, ได้เนี เมี่ยนน่ะมันมาจองรักพักดีก็พอก็แมร์จะทบมันจนเชื่อเสื่อนเลยเนาะจะไประหยัดเขาเด้ะเนาะพ่อไัยแม่มันคุณพอคุณแม่เปรี่ยนมันคุณพราะราหันมาเห็นหรอคุณพอคุณแม่ทั้งนี้กับท้าหน้ากัถือเสมอกันเอาใจบอกมันจะมาทะเลาะกันอืมันดีกับตัวเองน่ะจะเก่ามันทะเลาะกันจะเสียตัวอเออ มอจะสะนุตัวไม่ผู้ใหญ่ผู้สูงเย่ไม่นอกศาสนาของพระกรสสปะกับพิชซูปะเข้ารบกันตับอันยุทธาสน่ะพ้นหนีไปพ้นหนีไปพระพาหิยะในนี้ไปคือพักบันไดอย่นัเพราะว่าเป็นเน็ไซมาหอดึงพระพุทธสมารถพะตเก้าเทศดทับาดข้าทาจังว่าไปพร้อมพร้วพอเยได้สมารถที่สมารถมันได้ขังพูนแล้ว ห้าหัวด้วกันจหาภาษาเนี่ยจเออนัดเที่ยวเขาซีเองสิเขาซีมีคือกันนะห้าไปผู้จะพ่อเ้าไปอันตะกี้เพิ่มมาทอดกระเทียมนี่มาทอดกระเทีนมพายพยอมนั่มาม้นห้าไปมเนห้าไปห้าไปนํา เข้าไปนั่งกับผ้าลูกน้องมาไหวไปแถวตอนหนาวตอนหาาอนาวน่ะยามผู้หนึ่อนพูจัหนึ่งจังก็พอมาเท่นั้นหะ น, น, นั่นนะคนโบราณเม่นที่สั่งคนโบราณคนชุดเกา่าคนชุดเก่าเข้าโกปันจิบา น, นั่นแหละยื่นกันดามพันศาเนี่ยกับมียดไม่ซักปิดตัวเขาเดียเด๋ย้ภาษาหนึ่งสภาษาม่ห้ยห้อ ย, quan, อ ย, ยเกลี่คนหัวกันคน ดีพอดีพระจะเกิดกี้ข้อออนโยมสะถึงกี้ข้ออันแน่นจะถึงขี้ข้อพระเหมอนัี้เนี่ค่อยๆบ่พอละคันนะครับเว่นข้ากับวัตถุามตรมาขามันอีกแรนออังมาใจในตัวนี้นักอยากได้ตามมหาธาตุพอตัวค่อยๆมันดีก็ตามมหาธาตุพาตัว่ันก็ดีก็ตามมหาธาตุพอตัวค่า ขอห้บอกคับัญญามานิอให้เื่อ <Jub> ป <ilee> hmm, mm ันี้รอดเดือดเดือดทาดีท่าช่วยสามตาอนรางขาตัวคนในภานเนี่ยบกอะไรกันโดนแกบอมีเขียบแต่หน้าแต่แทลอะไเงียงสามเยพระองค์ยังเป็สาก้อนกเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นรสีเพื่อนักไม่ก่อเท่าไปไมก็อเท่ามันไม่เล็กมันมันไม่เล็ดแต่เนียมเนี่สองอัน ไปมักท่าตันสกไปสักไปห่อนบนบุงห <five to S 2> ่อนบนบุงงามแล้วมกระายไปน้ำมันมีรอกสัไปมันจะถึงหัวกบเสียหัวกบพงกบพงมันเยอน้ำานองน้ำหนันมันเสียพงนึงน้นองที่มันแห้งเล้วว่ามันหนองน้ำว่มันน้ำมีน้ำที่มันแห้งเล้วรอกเสียแค่รมันเยสิันยูหิมฟังบอกหรือเป่าสิันยูวันใก่บริเวณแห่นกบัก ตัไปแล้วไปเฉกหัวมันมันตายข้ามหมอกแล้วอเพื่อนกับพระองเจ้าเขากบตายสั่งเพื่ น, บบกกนไปอยู่าอยู่าม า, าศาสนะพระพุทเจ้าของเขาเนี่ยไปเดินอยู่กลุ่นี้นปลาปลาถึงตาไก่คนข้ า, าง่ะคือปลาเยเงาไปไปคนข้างเขาไป เขาไปไล่เนื้ออันนี้เขาไปไล่เนื้อเขาปั๊บติดเขาบ้าน น, นั่นซัดห อ, อกติดเียงยอะไรไไนะัดหอกเขาวันหกพุ่งห อ, อกเขารกเขียนกกขึ้นภูเขาวันเพื่อนหามโบราณ เ, เ, เพืน่นเขียงกคกขึ้นภูเขามันทับจะคลองตาย <c oughs> จิ่งเห็นพุงห อ, อกเขารกมันไปถือพระแนั้นแหละไล่ลสอนกันว่าพุ่งห อ, อกเขารก เขียพวขึ้นภูเขาอไม่ต้องไม่ต้องอยาทำอะสัตเข้าไปไมันจะถือนแห่นเดินในกลุมน่อยคือคนอนี้สอดออกหนถอดนันออกถอดห่อออกคนกับข้างไว้ เ, เขาเขาสัตว์เขาแล้วเขาก็ไปเรียบเย <S <S โอ๊ยสักทีนนงงนคนกบวันเดินน่โดดเลยนะคือมันคว่าสั้นเก็บกับปจะกว่า มัน้องแสดงควเก็บเพื่นกับจุ๊ดเอาเขาก็จะเขาบอกรู้ตัวเขาบอรู้ตัวว่าว่าว่าทรับถ์สิพระได้เขากระไรยุ่มาเมื่อหลังมือหลังสิ่งต่างของเจ้าก็ฝากตอย่าูกเนื้อท่เพื่อนกับเพื่อจะด้ยเนกลับไปเพืะจะถอนถอนออกเพื่อออกไปใหม่มาอุดอุหดห่น กรมีใ่หรือเยง้มาอัดด้นก็เลยฆ่าเดี๋ยวในกรมพี่นของทุกนก็เลยเป็นพระหันยังขับหลังไม่ตายนี่ก็วิมเกตนาให้นี่พระพุทธเจ้าได้เทศละฟังเรื่องถึงพระพุทธเจ้าแจศนั่นเพื่อนเป็นยังฉักเพื่อนเป็นรื้อสนเพื่อนสักมากันเท่าไปสักกบหัวกบตายเพื่อนหัวกบกับเขาเพื่อนกับวิีเกตนาแต่เขาก็เลยมาข่าเพื่อนบิมเกตนาคือเขาเขาสักหอกมากเ่นนั่น ว่าตามตะฮอดเขาสาบเขาโู่คนนี้พ่านนะแม่ขอดีก็ตามระชอดคนอมโซก็ตามสะฮอดผ่นน้ผานกระติ๊กรอเนี่ยไงถ้าเจ้าห้องเหาเนี่ยเพิ่งเยได้ว่าอยากคนผิดคนไข้ตายม่งมีเกจตหน้าทราบพันเขาสู่คนนี่านเพราที่ยังบันดาลเนไปกินม้วนเนี่หกักรอหักไร่ไปทรงทรงพระประชวน ทัศเสภเนจรเทมทลาลางพระโลหิตทงพระโลหิตก็หมายความว่าอาเจียนออกเป็นเป็นเลือดทวายทายออกเป็นเลือดว่าไปชวนลงพระโลหิตลงพระโลหิตไ้เ ป, เป็นเป็นสั บ, บาซางพระโลหิตคือหากเลือดออกกั น, นแล้วคือทายเป็นเลือดอีกส่งกเพราพะเวรอล่ะเวรอะไางออายาเขาผิดด้วย ขึ้นบางกันทาซารีนข้ามจูงไปข้ามสูงไปกระถอพระเวกขั้นตอนแล้วก็ข้ามก็ได้จูงไปจูงไปสิบไปเมื่อนก็เรียนกลาดเอาไว้เอาอยางมาเอาน้ำไว้มาปลูกเมื่อไปก็ตีไป ผมเป็ like นเวทเอียงกระพริบยาศาสตร์กสองกันหาซาเล่เป็นพ่อขะาเมื่อถ้ามาหน้าเป็นหัวตางแ่นมันท่ามผู้ไปคอสองกันหาซาเล่สองตีงวกกวมเฮลสั้สนๆนำคุณคุณก็เสียไปกิดขับฝาดหลังเสียไปห้างฝาดหน้าแสไม่ว่าฝาดปัดกดง้อปะเขาพญางไว้นเวนอันนั้นแรกกับมาตาม มาตามสองกันหาทะเลนั่นแล้วบันดาลให้ภาพมันได้จูงไฟว่านน่ะคนเท่าคนเท่าไมกู้คนกู้คนนะเวศไม่เป็นอันเรื่องการเรื่องรอกระชีว์ยังก็เวศยิงลอกมุ่นอย่ง้กระชีเห็นยกับตาอย่างนี้กเวยิงลกมุ่นก็เวไปจับง้อใเขาเหมน้กระิีวายังไร่สารไร้พวกว์อกไกลยังก็ นี่กเ็เล่นเล่นทักแขวบึงด้วยกันนะเล่นทักแขวเนี่ยได้เนีย่ยว่าเราก็เสียบขวดเนะี่ยม้วขี้ขวเตรียมเขาอยู่เดี๋ยวนี้ทัานเนี้ยล้างลนะัพราเชื้หายไป้นะเล่นเขียนวนะมวนีลยเว่าถ้าเขียนอะไเขียนมัวนเนี่นี่น้องสิส้เขาเข้าขั้นแนนะ่เล้นลัางนะียนะเล่นเข า, ายอยาายัดเขานะี่ น 2019, 2019, 2019. Bullied, ard, AN, maid, ัดครนี้น <MON står> ัดคนนี้ก็ไก่ักว้ายด้วยางไก่บักว้ายกินไก่ฟักว้ายเสีรื่องอะไรเนีก๊ออันเตี้ยนนี่ก๊อบเตียนนเขาสายหยางนักตอนนี้นี่ฮะนี่เลยนอนนี้นอดเนอขาไผ่แขนมาทั้งนี้ถ้าเราก็ตีงวาอะไแล้วกัย่งแขนเดียวฮะนี่นอนเออนอปีนหัวมาทั้งนี้ด้วยนอปีนหัวมาทั้งนี้สมมุดนี่เขาจะเส็จแต่แค่ยงเสรเขาไผ่แขนทำมาไวนี่สะ เขาแขนมาเข้ามาไว้ที่นี่นี่เขาแพ่ไว้ยังผิดแขนนี่เขาแพ้แพ้แค่แขนเข้าาไว้ผี่เขาถึงมาผี่นั่นี่แขนนี่เขาไปจับเข้าไว้กันที่แรกเขาก็จับดอกกลืนกืนเข้าอาใส่ให้กลืนกลืนเขาเอามาใส่นี่ให้เขาอาปาเขาเอาไม้บลบักมาใส่นี่เขางับร่องนี่มันก็พ่อดีก็ไม่บล็อกเขาไม่ไปรื้อไปใส่ไม่บล็อกไม่เพื่อเป็นไม่บอกวัิบารเลยนะ ไม่คือเป็นไ ม, ม้วัิบะ่อเฮ็ดทองไว้ทออออออั้งกลางวันเฮ็ดทองออๆไห้บักไปนี่คือไม้ก็ได้กุ้มไงวันเนาะก็ได้กุ้มเนี่ ย, ยวกว็ไ ด, กได้ห้องยับพานี่บักบ้องทำเขาะอ่าห้า ง, งั บ, ะะบอองลแล้วมันกาขืนมองมาหันเางัดต้นี่งัดโกนไมนี่แล้วต้องนี่คืนคล่นสันเข า, า่าเนีน่ย่นคลนสเขียนนะมันคลืนไมนะน่ะเขียนฝากกับากก็ได้คนจะคืนอะไรยังไก็กอนอาพาลง คันตีกลืนแล้วก็ตักอางปากกัหันปากตักอ่างโตเมนบอเขาก็บอกว่ากลืนๆลืน่านมันกลืนไม่ได้สำหรับไม่ได้ท่านโอเขียนี่เขาไปประจับมือเขาอีกนี่นี้ยขึ้นจากหัวเลยนะะไราก็เลยกำหนดล้มหายใจเขาออกแล้วขันหายใจให้เราพันยานเขาเหยียปากนี่เอาเดี๋ยนีเอาออกเส้งดังให้เลเขาไปงาแล้วงาแล้ว อดโอ้ยเวนใครผัแบบกวายก็เฟ้นเฟีเวใส่อเอียนใส่เบ็ดเอียงเอียนไม่กินต้องท่องนี่นัเขียนกับสรรามชิวายเนี่ยอันนี้ฉีดนมดีทรวเอ็นมงนี่ น, นาะอย่างเช่กันนีเป็นต่าน่เป็นประมาณกรรมันุกรรมปฏิเสอย่างกรมัราณิสต์กรมานยาโกมโย น, นี้นี่กําเป็นแดงเกิดนี่กําเป็นตพันนีกําเป็นครอง ทำกรรมอันใดไหว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะได้รับผลของกรรมนั่นถือไปกรยานวาวากรรมวาสราชายาดูกระิสัเติอิสามิตรีสามิกรีเราทำกรรมอันใดไหว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องรับผลกรรมนั่นถือไปเอวังอเมหิอภินาก็ระวิสิตบังเราทั้งหลายคนที่จะอย่างนี้ทุกว um ันเถิดกาเชื่อกำลังผลของกรรมแล้วกรรมได้ มันยากระเทีไม่อยากให้เฮ็ด่าโาตันี้เนี่ยถัม อ, อ่อนข้อเป็นผัวถามอนถมอนปาดข้อไกลปาดข้อไกลอ่ะ ทำไมเอโ่สัตว์ท่อนี่มันก็จะใจเด็ดเท่สัทำไมหเบิงไงหอบเบิงกล้องเซกล้องเซทราบเลกล้องเซทาแล้วประเทศสมองอีกเขียนไปจอนด้วยฮะมาขอใครคำปิดมัน กำปีทุกขาลแล้วเราบะซกสะซกสะทานทั้นแต่ว่าเราเขาของเจ้าเขาสังเกตเราหรือขามอนอนะเนี่ยห้าอะไรนะงาโตเห็นหรืว่าหรงว่าบรท่าเราตายบรรท่าาตายเราปวยเสื่อมามือบรรทิตายเลานั่มัยกับอเดียกับข้อไก่เลยป่วยได้สติเยอะเลยหอมอนมอนอะไรเฮ้อะไรสันคุณแน่ห้องไป็นสาวแต่เฮ้ บัดเิตายบาดสักทีขอาิจแเนียงีสักออกสังสังสีออกฟึกึึคืออันายเพราไใคเหนก็ตาฟึ๊ก็เป็นบาวมันขาใกล้าพวเป็นยังไงไม่ไมนจะมีอีกว้านเลหรอกห็นพราะาได้มันด้เนี่ยไดันดีเนี พี่เขยพี่เขยพอบุญหลายพอบุญหลายก็ว่าบางทีคนน้อยทุกคนมันเลือดเย็นพี่เขยคนอยู่พ่อขาพอขาพ่อเมียขาง้วขาขวาญเสี่ยงปัญญยบาจเจิตายมากงัอขึ้นออกขวัญมือร่างกายผมบอกเป็นอะไรทำไว่าเหล๋ยวองเป็นอาหารคนกิกรรมาวตามเด่นตามตามต้อง ตามย้อนเนี้ยมันว่ามันมันรับเจ้าว่าหระมันว้ามันเป็นมันบ่ยอมเลยมันถึงยอมว่ามันถึเกิดมาเป็นอาหารเข้าบาบุมันบ่ยอมเลยเข้ามาเข้าหม้อที่ชื่อเข้ามัเนี้เข้ามาเข้ามันก็บใเขียนเส้นผามันว่ามันถึเกิดมาเป็นอาหารเท่านี้เข้าว่าเข้าเกิดมาอาหารเป็นอาหารของยุ่งว่าสั่งเข้าของวัดย่อไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันว่าสั่งุ่งมากิน ยิ่งวันวานดิขอได้ขอได้ขอได้มัเจ้าพักเกิดแล้วเป็นอาหารฝ่ายเเขาส่ยอมมาสั่งเอาไปยอมเลยนั่นแล้วแสดว่าจะตามยุ่นเนี่ยตามเ้าวหน้าให้มันดีเข้าหน้าดีมันก็ผลไปหรอกเข้าหน้าดีแค่ไนตามเองเพรเราเขาอราทำจัดโอ้จะได้รับยืนเนี่มันสึงควจัดรับอย่างทากรรมมาได้ไหวอย่างได้รับผลของกรรมานนั่นแค่ยังไงนี่ มันพราะว่าหน้ามันกลเป็นช่วบน้องฮอดต่างหากเลยอะจะไปแก้อันนแกะเาะไรเนี่ยเป็ช่วงบุน้องฮอดต่งหาแกะอะไแกะไระจะคล้องมันใบยอมเนี้กบมันห้องแอบแอบมันเนี่ยจาวามันย่อมมึงถน้าหลุนเลยเห็นไหมเฮ้ยตังซีเขาขานมันย่อมมาบวนมึงถน้ามันแก่จาวาตัวแม่ร มมนลยขึกันท่องเี้ยเหเี้ยมันบ้าน่งวยอมลยมึงะหนามึงขยันยังไใจวะเนี่ยอย่สั่นฟ้าหน้าที่บาจัง ม, นงน ม, นมนนันจังยูคขอตนขาพอขาไม่ขาทัททานพวกมีขุนจังตอน ผมมาจัดเง่อนตีเขาทีนั่นเอวผมมาจันว่าปวดเขาทีผมบเเย็หสิบสุดแทนอันนี้จถึงห้องเชื่อมกันไม่ถห้อก็ยอมรับาห้องเย็นจำตนนั้นแล้วยอมรับตัวใส่จำได้แล้วก็ตนนั้นสิสุดแเลยกเนผูกคำต่อแทนจำอ่้องบ้ว่าตอนน้ันเนี่ยคุณนันมันยรับให้องเย็นไห เร็เสร็จก็ไปตีโต้า้ที่ะ so พ่อให้เห็นกับนี่มากเยพะแล้วก <During your. S 2> <t omo> ันไปเต่ยังอยู่ยอยู่พอผมคนนะครับเือผมปวดเขาบวยังวกมไม่ใส่แพอตีพ่อตีหรือว่วคนจ่อวเขากวดนี่เราให้ล่าางกับพ่อขาลอยขาเตะเดินนับหัวมันเตะเขาอ่ะเนี้ม่าช้งกับพอเตะเขาเกียงกับเนวัต เาเสียขาเลนะครับและถและถะแถะละไรอยู่นี่อันนี้จะ่ได้รั บ, บ, นนบเงินเลยก็เท่าแ็ดบุญเลยรับบุญแค่บาปกไ็ได้รับบาปสำคัญ น, นี่คู้คนคู้ค น, นัลยนะวะอรหั น, น โมกคลาสาเรบุตรออกจากสวนชัยนานตบุตรมาเริ่อมสายพระอาทิเม ja. ื่อเลื่อมสพระอาทิตก็ทำการเลื <T> ่อมสพระพุทธศระสงคจแล้วพระอาทิก็เลยเทศเอาเรื่พระสสดาบันนั่นต้องมายอมมายอมเรื่อไสาศาสนาพุทธแส้ก่อนจึงถึงพระสสดาบันได้อวลาเดาบุตรอุทกาดาบุตรรามาบุตรยังไม่เริ่มไสพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้น จึงตายคาภาวนาไปเกิดในอรุ ป, ปรกมมีแปดหมื่นสี่พันกับพระบรมศาสดาเชได้นาะเชได้หนาถ้าเรามาเจอนี่ก็จบแล้วเร็จพระสวดารันตายไปซแต่ะออกแกานั้นจึแเปแล้วพบกมันเจ้าพี่เข้าใจไหมเคยฟังไนะเคยฟังได้คนระับเออเคยฟังเคยได้ยินปไปถ้าอย่าับ ผู้สนใจเน่ยทําหลวงปู่ไม่อดคําพูดผู้ขึ้นมาหาเรื่ขาผาเนหลวงปู่เพราตกำัดถือข้อตอกเสี้ยวมาใส่หัวหลวงปู่เนอะถ้าเรามุ่งวันปฏิบัติเพื่อพ้นจากกิเลสแล้วปัญหาไม่มากเนอถ้าเราปฏิบัติเพื่อราบยศสรรเสรินอะไรต่ออะไรปัญหามันก็มากเพื่อเราถ้าเราปฏิบัติเพื่อพนทุกข์เนีว่าจะต้องฟันปัญหาไม่มากเนอะ เมอเห็นว่าตาสองสามเต็มไปด้วยทุกจะบาดธนาโลกอะไรมันก็ไม่มีนี่เพรามันเห็นชัดเพราะลมหายใจเขาออกนั่นเพราะปนาของมันก็คลายออกไนี่มันเห็นชัดทั้งกลางวันทั้งกลคืนด้วยพราะลมหายใจเขาออกด้วยพราะมก็ขนานกิบซีนักซิดด้วยนะถ้ามันเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปทะยานในโลกทั้งฟูงก็ไม่มีเบรคมันก็ไม่มันก็เป็นไปไม่ได้นั่นนะ่นนนที่ปัญหาของมันก็น้อยลง ถ้ามันจะแข่งดีอยู่กับโลกเพื่อกูจะร่ำจะรวยมีเครื่องบิ น, น, นอันนั้นอันนี้ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรทรัพย์ถิ่นคารบริวาออะไรต่ออะไรปัญหามัน ก, ก็มากทําไมถึงปัญหามากเพราะกิดเด่นมากกวปัญหามากถ้ากิดเด่นน้อยกวปัญหาหน่อยใช่ไหมปัญหามากอะปัญหาเร็กมัน ก, ก็มากกิดเด่ดมาก <c oughs> โลกพระบรมศาสตราสอนเหมือนกันขอให้โลกในสิ่งที่ชอบอุทาตาวินทะเตชนังคนมันย่อมหาทรัพย์ได้พระบรมศาสต ร, สราไม่ได้ห้ามเน้อให้มันในทางที่ชอบอนั่นมันในทางที่ผิดเอเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็ น, นกงจักว่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวเข้าไปผูกอ้เลขแต่เลขก็ยังไม่รู้จักว่ามันชิดใครธรรมะชั้นสูงทําไมถึงจะรู้ได้ นมันยังไงทิ้งซักตูมเลยทิ้งเลยตูมเลยไม่ได้ทิ้งยากหรอกทิ้งตูมเลยไม่ได้ทิ้งยากถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้ทิ้งยากเนอะน้ำลายเหมือนกันถ้าไม่เห็นเนอะถ้าเห็นว่ามัน ม, นมีไม่มีประโยชน์แล้วใครจะเสียดายเอาึ้นมาวนทิ้งแล้วมันก็แล้วไปนั่นนี่ถือว่ามันเป็นประโยชน์อยู่มันก็ทิ้งไม่ได้สินั่น มันซอนเขานี่ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อยู่มันกรทิ่งไม่ได้สิถ้าเห็นว่ามันเป็นทางทางคีดฝานอะไรอามันก็ะเที่ยงเผงเลยไม่มีใครบังคับสินท้าก็เหมือนกันถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มันก็ทิ่งไม่ได้ถ้ามันก็ไม่ทิ้งถ้าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่เวนแต่ไฟเต็มอยู่อย่างเี้มันก็ทิ่งเผงเลยไม่มีใครบังคับมันมันมีอิสระในมันเล้อ่ะ เนี่ยมันเป็นสันผิติโกเห็นเองเถ้าในใจเราก็ถ้าในใจรเรากองทุกมันเห็นชัดๆแล้วมันก็ทิ้งเองมันเลยเ น, ยน่ใครจะมารอกมันมันก็ไม่ได้เพราะมั น, ม น, นไม่เป็นไม่เป็นเป็นนกเป็นปลาถ้าเป็นนกเป็นปลาก็เป็นนกเป็นปลาที่ธลาดาแล้วก็คิดเล็กคิดเล้วที่นายพานเข้าปล่อยเราไว้นายพาปล่อยเราไว้ก็คือโลกความสวยความง า, นงามนำอันล่อให้บุรุษธิหลวงเรียกว่าเจ้าพรม โ, โลก เออพิมเยอะแล้วเขาไปกับพิมอีก อ, อยู่เขากำลังจะรงมาอยู่พวกสยามการพินมีพวกมีคาราเขาพินข้างที่ห้าเนี่ยิที่ห้าเนี่ยเขาบอกแฟงของมั น, นจะเป็นแบ